อีกอย่างหนึ่งสิกขาบททั้งหลายที่ตรั่ว่าสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยอันใดนี้ชื่อว่าอภิสมาจาริกศีน์สเรกราววินัยเล็กๆน้อยๆนะเล็กน้อยแค่ไหนเช่นอบัตทุกกฎเป็นต้นเนี่ยนะพึงทําศึกษาว่าเราจักนุ่งเป็นปริมณฑลพึงทําศึกษาว่าเราจักสำรวมดีไปในละแวกด่างและละแวกบ้านบางทีก็บอกว่า เพิ่งทำศึกษาว่าระจักไม่ฉันเสียงดังจับจับเพิ่งทำศึกษาว่าระจักไม่ฉันเสียงดังสุดๆูอย่างเงยเขามีเนี่ยสุรุสุรุวัดตรงนั้นเพราะฉะนไอ้พวกนี้เป็นสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเหมือนนเถอะสีนที่เหลือจากสิกขาบทเล็กน้อยชื่อว่าอาทิพรหมจริยกสีนนะสีนที่เป็นเบื้องต้นแห่งมัคคพรมจรันอันไอันนี้ในที่สองนะอีกในหนึ่ง ในที่สามต่อไปว่าศีลที่นับเนื่องในอุปโตวิพังคือในวิพังทั้งสองอุปโตนี่แปลว่าส่วนสองนะก็คือวิพังคือการจำแนกทั้งส่วนสองทั้งพิคุวิพังและภิคุนีวิพังชื่อว่าอาธิพรมจาริกศีลศีลที่มาในปาติโมกนั่นแหละชื่อว่าอาธิพรมาจาริกาศีล น, นะ่นะ ศีลที่นับเนื่องในขันธกะวัตรชื่อว่าอภิสมาจาริกศีลศีลที่มาในอาคาขันธกะวัตรก็คืออย่างเช่นมหาขันธกะเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าวัดตักขันธกะพวกสมุจยะขันธกะปริวาสขันธกะเพษัชขันธกะจำปยะขันธกะอันขันธกะเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นอภิสมาจาริกศีล อาทีพรหมจริตกศีลย่อมถึงพร้อมได้เพราะความถึงพร้อมแห่งอภิสมาจาริกศีนนั่นเองอันนั้นตรงนี้สำคัญนะอาทีพรหมจริตกศีนย่อมถึงพร้อมได้เพราะความถึงพร้อมแห่งอภิสมาจาริกศีนนั้นเพราะเหตุนั้นนั่นเทียวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไปว่าดูกราภีสูทั้งหลาย ข้อว่าภิกษุนั้นไม่ยังอภิสมาจาริการศีล น, นะอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วก็จักยังอาธิ พ, พรหมจริกธรรมให้บริบูรณ์ได้ดังนี้ฐานะนี้หามีได้ไม่ก็คือคนที่ไม่ทํา อ, อภิสมาจาริการธรรมเนี่ยนะจะทําอาธิ พ, พรหมจารธรให้บริบูรณ์ไม่ใช่ฐานะเลย ปฏิเสธเขาว่ากันก็เราว่าของเล็กๆน้อยๆยังทําไม่ได้ข้อใหญ่จะไปทําได้ยังไงอันนะันสิ่งที่จะต้องเอื้อเฟื้อแล้วไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยนะของใหญ่ๆไม่ได้โอกาสเฉยๆหรอกว่ากั้นเพราะฉะนั้นข้อความอันนี้ก็อ้างจากอังคุตระนิกายปัญจการนิบาศในคาระวะสูตรว่ากันเถอะคาระวะสูตรมีสองสูตรปฐมคาระวะสูตรกับทุติยคาระวะสูตรเนี่ยนะคาระวะสูตรที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะ ในปันจังที่กวักที่สกล่าวว่าดูกามพิกษุ์ทั้งหลายข้อที่ภิกษุไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงไม่มีความประพฤติเสมอก็คื อ, ค อ, คอมีศีลเป็นต้นไม่เท่ากันเนี่ยนะชีวิตที่ไม่เท่ากันในเพื่อนพรหมจันทร์จากบัมเพนธรรมะคืออภิสมาจาริกรวัตรให้บริบูรณ์ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ นนะถ้าปฏิบัติตัวไม่มีความสม่ำเสมอไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงในเพื่อนพรมรจันเป็นต้นเนี่ยนะที่จะทำาอพิสมาจาริกวัตดให้บริบูรณ์ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ฐานะแปลว่าอะไรฐานะแปลว่าอะไรเคยได้ยินไหมฐานะฐานะกับคำว่าปัจจยัยหรือคำว่าเหตุไม่ต่างกันคำว่าฐานะเป็นชื่อของปัจจยัย เป็นชื่อของเหตุเป็นชื่อของนิฐานก็ได้เนี่ยนะคำว่าฐานะนะฐานะดีก็คือเหตุดีปัจจัยดีนั่นเองในนะเหตุเจ็ดในเหตุเจ็ดอย่างนั้น ใ, ในปัจจัยเจ็ดอย่างนั้นนะ่นจจนนนะนั้นฐานะแปลว่าเหตุหรือปัจจัยพราะหากถ้าหากว่า เราไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงไม่มีความประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจันทร์และจะทําอภิสมาจาริกวัตดให้บริบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ฐานะที่มีได้เลยและนี้ข้อแรกนะข้อสองก็บอกว่าข้อที่ภิกษุไม่บําเพ็ญธรรมะคืออภิสมาจาริกวัตดให้บริบูรณ์แล้วจากบําเพ็ญธรรมะของพระเสขาให้บริบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้าอภิสมาจาริก อ, อภิสมะจารไม่บริบูรณ์เนี่ยนะ ธรรมะของพระเสขาที่จะทําให้บริบูรณ์นี่ไม่ใช่ฐานะคําว่าธรรมะของพระเสขาก็ได้แก่ศีลอันเป็นข้อบัญญัติของพระเสขานั่นแหละข้อที่ภิกษุไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์เขาบอกว่าข้อที่ภิกษุไม่บําเพ็ญธรรมะของพระเสขาให้บริบูรณ์จะรักษาศีลให้บริบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ข้อที่พิกษุไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์จักอ บ, บรมสัมมาทิฐิคือวิปัสสนาสัมมาทิฐิให้บริบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อที่พิกษุไม่อบรมสัมมาทิฐิให้บริบูรณ์แล้วจักเจริญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้คำว่าสัมมาสมาธิอันนี้ก็คือสัมมาสมาธิในมักกับนผล เพราะฉะนั้นจะเป็นไปตามลําดับเลยนะข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปตามลําดับแบบนี้เลยพระองค์บอกว่าไม่ใช่ฐานะแล้วไม่ใช่สูตรเดียวด้วยไม่ใช่คำภีรเดียวด้วยหลายคำภีร์มากที่ว่าถ้าไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงอภิสมาจารย์ก็ไม่ไม่เต็มถ้าอภิสมาจารย์ไม่เต็มทำธรรมะของพระเสขะก็ไม่เต็มถ้าธรรมะของพระเสขะไม่เต็มทำศีลให้เต็มก็ไม่ใช่ ถ้าศีลไม่เต็มจะอ บ, บรมส ม, มาทิฏฐิก็ไม่เต็มถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เต็มสัมมาส ม, มาธิก็ไม่ใช่ฐานะมันก็เป็นไปตามลําดับนั้นไปเนี่ยนะเคร่องรอว่าเรียกว่าเครื่องรองรับไม่มีเลยนะเขาบอกฝนเนี่ยตกหนักหน้าดูเลยนะถังก๊อกรั่วอย่างเงี้ยโอ้ยตรองไปเฮะรองเท่าไหร่ก็รั่วโมดนะี่ยนะเพราะฉะนั้นมีความสําคัญมากนะเพราะว่า อาธิพรหมจันทร์เนี่ยนะจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็อาศัยอภิสมาจารเนี่ยนะความประพฤติโดยเอื้อเฟื้อนั่นแหละถ้ามีความเอื้อเฟื้อเป็นต้นได้อาธิพรหมจันทร์ก็จะบริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นศีลจัดว่ามีสองอย่างโดยเกี่ยวกับอภิสมาจาริกศีลและอาธิพรหมจาริกศีลโดยประการดังกล่าวมาแล้วนี้อันนัได้ไปกี่ทุกกะเลยนะ เลยสทุกกะแล้วเนาะทุกกะแรกคือจารีตกับวารีทุกกะที่สองคืออภิสมาจาร์กอาทิพรหมจันทร์ขึ้นทุกกะที่สามเลยน ะ, ะพูดถึงคําว่าศีลเนี่ยใครอยากได้มั่งที่จริงเนี่ยคว่าศีลกับคําว่าวินัยนั้นคนที่ฟังแล้วศรัทธาจะเกิดหายากมาก เพราะว่าโอ้ยมันเรื่องยุ่มยุ่มยิ้มยิมเล็กๆน้อยนแต่หารู้ไม่ว่าศีนนั่นแหละเป็นทรัพย์เนี่ยนะศีนเนี่ยเป็นทรัพย์นะและอะไรอีกเป็นทรัพย์สัทหะก็เป็นทรัพย์ศีนจะมีได้ก็อาศัยฮิริโอตะปะใช่ไหมเพราะฮิริโอตะปะจึงเป็นทรัพย์ฮิริโอตะปะที่เป็นทรัพย์เนี่ยนะสัพหะศีนฮิริโอตะปะสีอย่างเป็นทรัพย์เนี่ย ถ้าไม่มีสุตะเนี่ยนะซับอันนี้จะรองรับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสุตะสุตะจึงเป็นซับอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมโหจะทำพอกพูนศรัทธาจะพอกพูนศีลจะพอกพูนฮิริโอตปะจะพอกพูนธรรมะเหล่านี้ได้ถ้าสุตะไม่เพียงพอเนี่ยทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาศีลฮิริโอตปะแล้วก็สุตะดีนะจะทำให้มีจาระได้กล้าสละได้เพราะงั้นเลย คนที่มีศรัทธาศีลสุตะจาคะเขาจะมีปัญญ า, อ, าอันธรรมะห้าเหล่านี้มีกับผู้ใดก็ไม่เรียกว่าคนขัดสนในอริยวินัยนี่เนไอันถ้ามองศีลเป็นรั์เมื่อไหร่นะโอ้ยถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยเป็นรัพย์อันประเสริฐเลยแหละเป็นรัตนะวย่ า, างนั้นเถอะ อย่างกินจิรัตานางโลเกวิชติวิวิทังปุทุรัตานางธรรมะสมังนัติตาสมาโสติพวันโตเตมนะทรัพย์รัตนะเครื่องประดับในโลกเนี่ยนะทัพย์และรัตนะเหล่านั้นที่จะเสมอด้วยธร ร, รมรัตนะไม่มีเหมือนกันเลยการธรรมรัตนานี้มีคุณค่ามากเหมือนกันรัตนะเหล่านี้ถ้าผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้นนะสามารถช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าคิดว่าตัวกําลังอยู่ในวัตฏทุกข์แต่อย่าลืมนะว่า ข้อความเหล่านี้เป็นวิสุทธิมัคใช่ไหมคำว่าวิสุทธิมัช แ, แ, แ, นะแปลว่าทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งความบริสุทธิ์เหล่านี้เนี่ยบริสุทธิ์จากอะไรทบทวนกันวิสุทธิมักเนี่ยนะแปลว่าทางแห่งความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากมนทินเครื่องเศร้าหมองมนทินคือสังสารวัตมนทินคือสังกิเล อันผู้ที่ปรารถนาความบริสุทธิ์จากสังกิเลสผู้ที่ปรารถนาความบริสุทธิ์จากสังสารวัตรก็ต้องอาศัยทางอันนี้จึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์อันนั้นได้เห็นไหมอันเรากําลังศึกษาทางที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ในทุกกะที่3ศีลจัดว่ามีสองอย่างโดยเกี่ยวกับเป็นวิรติศีลและอวิรติศีล อย่างนี้คือเพียงความงดเว้นจากทุตเจริตทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้นได้ชื่อว่าวีรติศีลนะเห็นไหมซ้ายมือบอกว่าเวระมณีมะตังเพียงเวระมณีมตังเนี่ยแปลว่าอ่นะ เ, เพียงควมเพียงอ่านะมตังเนี่ยแปลว่าเพียงเพียงความงดเว้นอ่นะ ตัวงดเว้นเนี่ยนะถ้าพูดถึงคำว่าวีรตีวีรตีมีกี่อย่างนะสาอย่างหนึ่งสัมมาสัมมาอะไรสัมมาวาจาสองสัมมากัมมันตะสามสัมมาชีวะนั่นนะอ่าสัมมา3อย่างนี่แหละเรียกว่าวีรตีศีลธรรมะที่เหลือมีเจตนาเป็นต้นชื่อว่าอวิรตีศีลอ่า น, นะเจตนาศีลมีกี่อย่างนะ เจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวีติกมะเป็นศีลที่เจตสิ ก, สสส ก, ม, สสกมี2 อ, อย่างนะคือวีรตีสกับอะไรอนาภิชาพยาปาทะและสมาธิฏฐิอันนั้นอีกชุดหนึ่งเรียกชุดมโนกรรมที่เหลือนอกจากวีรตีสที่เหลือนอกนั้นแหละเรียกว่า อวิรติสินวีรติสามเท่านั้นเป็นวีรติศินที่เหลือเป็นสินไหมเป็นเป็นสินเหมือนกันแต่ไม่ใช่วีรติศินที่วีรติศินมีสามอย่างคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะท่านมาแยกให้เราคิดๆนะนะนัยยะอื่นก็เอามาคิดแบบนี้ก็ได้ธรรมะที่เหลื อ, อเจตนาศินกับเจตนาศินเรียกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมอ๋อที่เหลือจากเจตนาไม่ใช่เจตนาศิน นะศรัทธาก็คือให้ในยให้เราไปไปคิดเป็นจักกะหมุนหมุนไปได้แสดงว่าคนที่ที่นี่ก็ต้องเอาเอาคำว่าศีลเนี่ยนะมาเพ่งมาตรึกแต่อย่าลืมนะเป็นสิกขานะจะต้องสมาทานจะต้องอธิษฐานจะต้องตั้งจิตมั่นจะต้องคร่ครวนจะต้องน้อมใจไปด้วยศรัทธานะน้อมความเพียรตั้งสติมั่นตั้งจิตมั่นตั้งปัญญาเพื่อจะรอบรู้ น, นี้เรียกว่า สิกขาเนีนะจริงจะชื่อว่าสิกขาเพราะฉะนั้นคําว่าสิกขานี่ไม่ใช่ว่าโอ้ยผ่านหูเฉยๆแล้วก็ซึมซึมเสือๆไม่ใช่ทั้งอย่างที่ที่ที่กล่าวคําว่าซึมซึมเซื้อๆไม่ใช่เป็นคํามุ่งตำหนิเน่ยนะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าการเจริญกุศลธรรมนั้นมีความตื่นตัวจริงๆนีนะไม่ไม่ใช่งวงงไม่ใช่ ศีลคืออะไรก่อนเจตนาเป็นเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรมาศีลในเจตสิกศีลเนี่ยมีเวรตีอยู่ด้วยใช่ัหยใช่เอาถ้าดึงเวรตีออกอะที่เหลือชื่อว่าอาวีรตีที่เหลือทั้งหมดเลยคือเน้นที่องค์ธรรมอ่ะน ะ, ะทีะ่ว่าในธรรมะที่เป็นศีลเนี่ยนะมีหลายองค์ธรรมใช่ั้ยมีทั้งเจตนามีทั้ง อโลภาอโทสะสัมมาทิฏฐิสัทธาวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็วีระตีด้วยในนั้นมีวีระตีศีลอยู่สามที่เหลือไม่ใช่วีระตีศีลอะวีระตีศีลก็คือไม่ใช่วีระตีศีลเท่านั้นเองไม่ใช่เขาไม่เป็นศีลเขาเป็นแต่เขาไม่เป็นวีระตีศีลนะนะานักศึกษาธรรมะพวกเราเนี่ยมีพระอยู่พระเนนอยู่สามองค์อย่างเงี้ย บอกว่าถ้าพูดบอกที่จริงก็นักศึกษาธรรมะนั่นแะก็บอกมีพระอยู่สามองค์นะที่เหลือไม่ใช่พระก็เท่านั้นแหละม่้มีอะไรมากหรอกขึ้นข้อใหม่คงไม่ทันนะอันนั้นอันมีจะถามอะไรไหมคือคือถ้าเรามองดูนะตัวเจตนาเป็นศีลนี่นะครับได้แก่ได้แก่อุศนเวนกุศนก็มาบทเจ็ดนะ คือเว้นจากกายทุจริต3าวิธีทุจริต4นะ ย, ยกตัวอย่างขึ้นมาตัวอย่างหนึ่งนะครับการพูดเท็จนะครับการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยถ้าเราไม่พูดคำเหล่านี้ทั้ง4ประเภทนี้ถือว่าเรามีเจตนาศีแล้ว เพราะเราวิรัติเราไม่พูดเมื่อจะเกิดจะพูดทีไรเราก็วิรัตได้ทุกทีแล้วเราก็สมาทานด้วยขณะนั้นมีเจตนาศีล น, นะครับคือตั้งใจที่จะวิรัตตั้งใจที่จะงดเว้นวจีทุจริตศีถือว่าเป็นเจตนาแล้วเป็นเจตนาศีลคร น, นี้พอมาดูวิรตี3นะครับวิรตีสก็มีสัมมากรรมตะสัมมาวาจา นะครับเรามาดูเราเอาสัมมาวาจามาเทียบกับเจตนาศีลนะสัมมาวาจาก็คืออะไรครับสัมมาวาจาก็คือวาจาที่เป็นสุภาษิตคือคือเป็นวาจาที่จริงมีประโยชน์ถูกกาละแล้วก็ ต้องอ่อนหวานแล้วก็มีเมตตาด้วยเราจะเห็นว่าพอข้างวีรตีนี่เป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นไปอีกนิดหนึง่งถ้าสังเกตตามดีกานะดีกาท่านยกว่าถ้าเจตนาเป็นศีลเนี่ยนะเจตนาก็อันนี้ก็มีสัมมาวาจาอยู่ด้วยกรรมันตะอยู่ด้วยแล้วก็ คือสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่เกิดพร้อมกันนะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาชีวะเนี่ยนะสอย่างนี้เขาไม่เกิดพร้อมกันในวีรตีสาเนี่ยนะเขาจะมาเข้ามาเฉพาะเฉพาะขณะเป็นขณนะขณะไปเขาจะไม่สัมปยุติกันเขาจะสัมปยุติกันในขณะอริยมรักเพราะฉะนั้นถ้ากยกเจตนาเป็นหลักเนี่ยนะพวกสมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีมีแต่ยกเจตนาเป็นหลักเพรา ะ, ะนั้นธรรมะที่เหลือ เขาเรียกว่าโดยอยู่ในฝักฝ่ายอยู่ในฝักฝ่ายแห่งเจตนาหรืออภโหหาริกเนี่ยนะอภโหหาริกคำว่าอภโหหาริกมีก็เหมือนไม่มีเพราะยกเจตนาเป็นหลักเนี่ย น, นะที่จะเว้นจากวจีทุจริตเนี่ย น, น ะ, ะหรือบางทีเนี่ยนะถ้ายกวีรตีเป็นหลักอย่างใดอย่างหนึ่งในเนี่ยเส้นสัมมาวาจาเนี่ย เจตนาก็มีแต่ว่าเจตนานี้ท่านยกว่าเป็นอภโภหาริกเหมือนนเถอะอยู่ในฝักฝ่ายแห่งวีรตีหรือเป็นอภโภหาริกอันดีกาท่านอธิบายในลักษณะนั้นเนะเพราะฉะนั้นไอ้เจตนาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเจตนาที่ที่งดเว้นอย่างเดียวอันเจตนาที่มุ่งกล่าวเนี่ยนะพูดถูกปูกการเป็นต้นนีนะ ในขณะนั้นก็มีเจตนาเกิดร่วมด้วยเพราะว่าเจตนากับวีรตีเนี่ยนะมันเป็นสัมปะยุติปัจจัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายกธรรมะใดเด่นขึ้นมามาแสดงเท่านั้นเอ ง, องอถ้าผู้ที่ศึกษาปัจจัยเนี่ยนะจะเห็นชัดเลยว่าแล้วแต่จะยกอะไรขึ้นเป็นประธานในขณะจิตตุปาทะเกิดขึ้นนั่นะ ถ้ายกอโลภาอโทสะ อ, อโมหะขึ้นเป็นประธานในการกล่าวอโลพาอะโทสะอโมหะอันนั้นเป็นเหตุปัจจยัยส่วนอโมหะเนี่ยเป็นทั้งอินสียะปัจจยัยเป็นอินทรียะปัจจยัยอโมหะ ห, หรืออ น, นั้นเนี่ยนะปัญญานั้นเป็นวิมังสาเป็นอธิปฏิปัจจยัยนี่นะแล้วก็เป็นเป็นมรรคปัจจัยด้วยปัญญาอนั้นเพียงแต่ว่าจะเน้นปัจจยัยใดบางทีก็เพียงแต่ว่า แยกแสดงเท่านั้นเองเ น, นคือเพื่อที่จะได้มีเวลาเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปตรึกเยอะๆเนี่ยนะฟอองก็ฉลาดยั ก, ย, กย้ายไปยักย้ายมาเห็นนะให้เราเห็นโดยความแตกต่างกันโดยต่างๆนานานะแต่ที่จริงก็เหมือนกับเรียนซ้ำๆอยู่นั่นแหละฟังซ้าๆ่ะเพียงแต่ว่าโดยเหตุผลใหม่ๆเพื่อที่จะได้เอาเรื่องเราเหล่า น, น, นั้นไปเพ่งมากขึ้นไปตรึกมากขึ้นนั่นเอง